นี่คือรายการเปิดธรมที่ถูกปภิกขะออนไลน์ตอนิี่แที่80ครับอาตมาพระไพบุญอภิบุญโญก็มาพร้อกับคุณหมอรัตพงศ์กรับกลับนัศการครั บ, รบรกั บ, บผมนทัทพงศ์กระดวิรุณครับอืมคุณหมอรมัตพงศ์อาตมาถามอะไรสักหน่อยสิว่าสมมุติว่าถ้ามีใครมามาด่าหมอรมัตพงศ์อะนะสมมติน ะ, นะด่าว่าเสียๆให้ใหายเลยทั้ทงที่เราก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นแบบว่ามันด่าเจ็บมากด่าขุดงงหวยไหนมันด่าหมดเลยเนี่ย หมอถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับหมอรัตพงศ์แล้วหมอรัตพงศ์จะทํำยังไงอ่ะก็ตอนแรกคงสดับฟรังก่อนว่าเออจริงเท็จประการใดครับคือคือคงแยกแยกเป็นสองกรณีครับของผมคือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็หลีกหนีไปเลยเหมือนคนบ้ามาว่าเราเออครับคือที่ที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องก็เดินหนีเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใกล้ตัวเช่นอาจจะเป็น คนในบ้านหรือลูกน้องหรือเจ้านายอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะฟังฟังก่อนฟังแล้วก็คงกุ่นกลุนอยู่ในใจแต่ว่าคงพยายามไม่แสดงออกครับพยายามใช้ธรรมะกับความอดทนนะครับครับก็บอกแล้วพง่ดีดีเขาค่อยค่อยแก้ไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็โดนบ่อยครับคือว่าการการที่เราถูก แต่ว่าเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าว่าผู้ที่อดทนต่างหากเนี่ยคือคนพิเศษไม่มีใครถูกไม่มีใครไม่ถูกว่าในโลกนี้แ ต, แต่คนที่ถูกว่าแล้วอดทนได้เนี่ยมีไม่ได้มีทุกคนจะทำได้เหมือนเราก็ฝึกให้เป็นคนที่ดีคนพิเศษเนี่ยโดยการที่ว่าเออเราก็อดทนเอาไว้นะไม่ว่าอะไ ร, รในในกรณีต่างหากถ้าบอกว่าเราขึงเครียดขึ้นมา เราจะไม่รู้เลยว่าไอวาจาที่เขาพูดนั้นเป็นสุภาษิตหรือเป็นทุพภาษิตนะเพราะว่าเพราะมันมันกลุ่มรุมเราแล้ ว, ลวนี่คือถ้าเป็นในกรณีของคําด่านะครับแล้วก็ถ้าผู้ว่ากรณีที่สองก็คือว่าไอคาดานี่แหละนะถ้าเร า, า, เราขึงเคียดขึ้นมาแล้วจิตเราจะร้อนเองเราจะถูกเผาเองแล้วก็กรณีที่สามก็คือว่าถ้าเราถูกเผาแล้วเนี่ยจิตของเราจะไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างดีเลย การคิดการพูดการทําตรงนั้นเนี่ยก็จะแย่นี่ซวยสามต่อครับซวยสามต่อเอาเพราะฉะนั้นเราเราเลิกตรงนี้เราไม่ต้องคิดเครียดแค่ไหนกันในเรื่องของความลุ่มหลงก็เหมือนกันนะคือถ้าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีมัวเมาแล้วเราจะเกิดความประมาทนะถ้าเราเกิดความประมาทแล้วประมาทนี้ก็แย่พอแรงแล้วนะนะนความประมาทนี้จะนําความแย่ๆทั้งหลายเนี่ยเปิดช่องเข้ามาอีกเยอะแยะ นะเช่นความรุ่มหลงในลาบสการะความรุ่มหลงในเสียสนสรรเสริญเยนยอผิดศีลบ้างอะไรบา้างหนาวสวยเลยนะยิ่งท ำ, ทำทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏสำหรับคนที่ประมาทเพราะนั้นก็คือพูดถึ ง, งกรณีที่ว่าเราก็คอยระวงรังจิตของเราอยู่เรื่อยๆนะทําจิตของเราให้มีความอดทนความอดทนนี้ดีมากมากเลยมีเรื่องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังด้วย มอนุษย์ผมด้วยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเามาได้ไปสังเกตเสุนัขอยู่ตัวหนึ่งสุนัขที่วัดป่าอัญชโยเนี่ยนะอ๋อครับอืม응ก็เป็นสุนัขที่ตัวน่ารักมากเลยแหะมันก็เป็นพันธุ์ที่มันน่ารักนะ<ม><ม>คือน่ารักเนี่ยห ม, มายความว่าด้วยสีของมันด้วยไซส์ของมันด้วยพฤติกรรมของมันมก็เป็นตัวที่น่ารักที<ม>นี้ก็ทํา<ม><ม>ให้เราเกิดความรักขึ้นในสุนัขตัวนั้นแต่สมมุติเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนหนึ่งในบ้านเนี่ยเขาเล่นกับหมา มันก็เกิดความรักทีนี้พอเราเกิดความรักในสุนัขตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้มันมันแสดงความรักกับเราหรืออยากให้มันทำอย่างที่เราต้องการเช่นเช่นว่าเรามันต้องมาเช่นเราเยื่นอะไรไปปุ๊บมันต้องอย่างนี้มันจะต้องทำอย่างที่เราปรารถนาให้มันทำนี่คือความความรักของคนทั่วๆไปของเด็กเด็กในบ้านจริงครับ ทีนี้พอเราเล่นกับหมาแล้วหมาไม่เล่นด้วยสิอ๋อหมาเมินอ่าหมาเมินหมามันไม่เล่นด้วยกับเรามันไ ม, ไม่มาตามที่เราทำปากจี้จี้หรือว่าเราให้อาหารมันออฟเฟอร์มันแล้วมันไม่สนอย่างเงี้ยหมาเมินเนี่ยเรารจะเกิดความความเกลียดนะอันนี้เป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักครับนะคือแล<ช>้วเราทำไงรเราไปตีมันดึงหางมันนะเพราะมันไม่สนใจฉั น, ฉนเธอไม่สนใจ ฉ, นฉันฉันต้องตีเธอ นะไม่เล่นด้วยฉันต้องดึงหางอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าคือฉันรักเธอเนี่ยเธอต้องท้าฉันตอบนะถ้าเธอไม่รักฉันตอบเนี่ยฉันจะด่าเธอฉันตามและตามล้างตามเช็ดเธออย่างเงี้ยเออคุณคุณรักเขาหรือคุณเกลียดเขาก็แน่เนี่ยรักรักรักเพราะว่ารักเนี่ยแต่เธอต้องแสดงความรักไม่งั้นฉันจะเกลียดเธออันนี้มันมันมันคอน FLICT ไหมใช่ครับเป็นลักษณะของความเกลียดที่เกิดจากความรัก เหมือนมันมีคนพูดนะก็รักนั่นเด็กโง่นะอรักนั่นเด็กโง่เหมือนกันเลย่นออว่ามันมันไม่เห็นจะมีสาระอะไรมากเพราะว่าอความที่มันทั้งรักและทั้งเกลียดนะเหมือนเพลงเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าเราเรารักเขาเราต้องการให้เขาทําอย่างนี้กับเราเขาไม่ทําเราจึงเกลียดเาแล้วคุณเกลียดหรือความรักจิตอย่างเนี้ยเป็นจิตที่เป็นบ้าอืมันบ้านะจิตอย่างเงี้ยครับอ่า เราไปแกล้งหมาเพราะเรารักหมาวะคุณแกล้งหมาเพราะคุณรักหมาแล้วมันฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะอืมใช่ครับไปแย่มันเอคุณคุณถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะพูดถึงความไม่ดีของตัวเองเช่อผมว่าเราจะพูดให้ถูกนะว่าอฉันรักหมาฉันจึงต้องการให้หมาแสดงความรักกับฉันแต่หมาไม่แสดงความรักกับฉันฉันจึงแกล้งหมาอืามแสดงว่าความผิดไม่อยู่ที่หมาอยู่ที่เราอยู่ที่คน อ, <ะ>อยู่ที่จิตของคนนี่คือลักษณะของความความเกลียดที่เกิดจากความรัก น, นี่ไม่เหมือนกับพุทธวจนะเท่าไหร่ น, นี้เอามาคิดเองนะแต่ถ้าพุทธวจนะที่พูถึงความเกลียดที่เกิดจากความรักเนี่ยก็คือจะมีบุคคลอื่นร่วมด้วยนะเช่นสมมุติว่าเราเรารักหมาอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีใครม า, าทําอะไรไม่ดีกับหมาตัวนี้นะเราจะเกลียดจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะ<อ>ความไม่พอใจตรงเนี้ยคือความเกลียดที่เกิดจากความรั ก, รกอ่าครับทีนี้ถ้าไอตัวคนที่มันทำนี่คือตัวเราเองเนี่ยโอ้โห คูณสองเลยออกมาว่าอืมเพราะตัวเราเป็นคนทำเองเราแกล้งมาเอมีเป็นพุทธวจนะด้วยใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ครับทีนี้ในกรณีตรงกันข้ามที่พูดถึงความรักครับที่เกิดจากความเกลียดเกิดจากความเกลียดเช่นอย่างในราดูละครน้ําเน่าทั่วไปนะใช่ครับเช่นว่าเราเกลียดพ่อแต่ต้องการแก้แค้นเลยมาแกล้งรักลูกอย่างเงี้ยคุณมาแกล้งรักลูกเนี่ยเพราะเกิดจากความเกลียดพ่ออย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อต้องการแก้แค้นอย่างเงี้ยนะ น้ำเน่ามากเลยแต่แต่ก็มีในชีวิตจริงก็มีนี่คือลักษณะของความเกลียดที่เกิดความรักที่เกิดจากความเกลียดครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง4คู่ไม่ว่าจะเป็นความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดด้วยความรักที่เกิดจากความรักได้วยเกลียดเกิดจากรัรก ร, รั ก, รกเกิดจากเกลียดทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอาออกให้หมดเลยนะจิตของเรารรจะจะต้องไม่ควรจะต้องมีไอ้พวกนี้ เนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้จิตเรามันมันมันบ้ามันมันไม่สมดุลมันเป็นแบบพอใครพูดอะไรมาเรารักแล้วก็รักหมดตัวรักทุ่มไปเลยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่ว่าเขาว่าอะไรมาฉันก็ไม่สนฉันจะรักรักรอย่างเดียวมันก็เมันจะไม่ค่อยดีนะอืมดูมันขาดขาดสติขาดปัญญาใช่ใช่ทีีถ้าเราพิจารณาให้ให้ถูกให้มีสติแล้วก็คลายสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตเราอย่างน้อยนะตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นจิตที่ ที่หิวไม่เป็นจิตที่ร้อนไม่เป็นจิตที่มืดแต่เป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่อ่าอิ่มอยู่ในใจนะก็สามารถที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาตัดสินการงานดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลิกมันหมดแนละ้วทั้งรักและทั้งเกลียดนะก็ถึงจะถูกอย่างไม่ชอบพ่อแต่รักลูกอย่างเงี้ยก็มีนะเรารออว่า อ, อลูกสะภ้าไม่ชอบแม่ผัวแต่ชอบผัวอย่างเงี้ย่ต้งรักและั้งเกลียดก็มีอย่างนี้ เ, เพราะฉะนั้นในเรื่องของรักกเกลียดๆเนี่ยเราก็ไว้แค่นี้แหละเพราะมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะมาได้ดูจากเรื่องของหมาที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะครับผมออืต่อไปเรามาตอบคาถามที่คุณหมอฤทธพงศ์ครับมีคําถามจากคุณผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับโอ้เข้าไปไครับเรื่องเกี่ยวกับการวางโดยเฉพาะอารมณ์นะครับอืหรือถ้าถามว่าขณะที่ คือท่านนั่งสมาธิแล้วก็มีอ่าข้างบ้านเนี่ยทําเสียงดังคือ hmm. ท่านก็บอกว่าท่านก็เกิดจิตใจหงดเงียบวางไอ้ความหงดเนี่ยลําบ hmm. ากอือประเด็นแรกนี้ควรทํำยังไงดีครับอ่าวประเด็นแรกนี้ก่อน <c oughs> อ่อคือเราเอายี้เราเอาวางจิตนะวางจิตเนี่ยหมายว่าไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งนี้นสิ่งนี้นะ <c oughs> อ่าแต่เราวางจิตก็คือจับจิตแล้วไปวางตรงไหน คือถ้าเราจับจิตของเราไปวางตรงตำแหน่งที่มันกวนใจเราเนี่ยอันนี้คุณหาเรื่องใส่ตัวคุณก็เป็นไปวางกวนเฉยซึ่งในกรณีนี้คือเราดันไปวางจิตของเราไปตรงเสียงอ่ะแล้วมันก็เลยเจ็บใจสิทีนี้เราจะทํายังไงเราไปวางตรงที่มันไม่มีเสียงสิเช่นวางในจิตส่วนลึกๆที่มันไม่มีเสียงเป็นต้นเพราะอาการที่เราจับวางจิตของเราไม่ได้ไงทําไมเราถึงจับไม่ได้ทํำไมจิตมันไปติดอยู่กับเสียงก็ความยึดถือไง คือตรงนี้เราต้องแยกประเด็นให้ออกว่าความที่เราจะวางเสียงได้เนี่ยเป็นผลนะเป็นผลผลของเหตุอะไรผลของเหตุคือการที่เรารู้ลมหายใจในะเหตุคือคุณรู้ลมหายใจผลเกิดขึ้นคือคุณไม่สนใจเสียงได้เพราะจิตมันมาอยู่กับลมหายใจอยู่อันนี้คือถ้าเราจะไปวางเสียงแล้วคุณจะไปสนใจเสียงอ่ะมันมันผิดหลัก อ, ะอ่ะมันผิดหลักอย่างอย่างเราจะเราบอกเราไม่ต้องการสนใจสิ่งนี้ คุณจะพูดได้ไงเพราะคุณต้องไปสนใจสิ่งนั้นก่อนคุณถึงจะไม่สนใจมันได้เอานี่ตัวอย่างหลักๆทางจีตวิทยาเลยนะหมอแลพงเราให้นึกถึงช้างสีฟ้าออย่าอย่านึกถึงช้างสีฟ้าอย่านึกถึงช้างสีฟ้านะอ๋อถ้าพูดคํานี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงช้างสีฟ้าก่อนที่คุณจะไม่นึกถึงมันได้อเพราะอะไรเพราะมันเป็นการที่พูดตรงข้ามานะใช่ครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอ negative words นะคือเราจะไม่พูดน ег าทีเวิร์ดอย่างคุณเด็กอย่าดื้อสิเด็กต้องดืดเด็กต้องดื้อก่อนแล้วถึงจะเป็นยังไงเออแล้วเราถึงก็จะเลิกแล้วอย่าวิ่งสิอย่าวิ่งต้องวิ่งก่อนเอวิ่งต่อถึงจะอย่าทําได้ก็ทําตามแม่บอกไงอย่าวิ่งงั้นต้องวิ่งก่อนแล้วถึงก็อย่าทํานะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยก็ต้องพูดว่าเอาให้เดินช้าๆลูกให้ค่อยๆเดินลูกอย่างเงี้ยถึงจะถูก คือ positive suggestion นะี่ยคำถามคําพูดของพวกนักจิตวิทยาทูกอย่างนี้ว่า positive suggestion ค, คือเราแนะนําสิ่งที่ดีเลยนะอย่าไปพูดสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามแล้วให้เขาไม่ทํำเช่นบอกวิทยาพูดเสียงดังสิโอ้ยนี่อย่าไปพูดเลยอย่าพูดเสียงดังมันไม่ได้คุณต้องบอกให้เงียบเสียงให้เป็นผู้เงียบเสียงอย่า ง, ง, งเงี้ยถึงจะถูกพคุณบอกว่าไอ้จิตของฉันอย่าไปสนใจเสียงดังสิไม่ได้ไม่ได้เสนใจเสียงไปแล้วอคุณต้องพูดว่า I, จิตของฉันให้มาอยู่กับลมหายใจแค่นี้พอดัะนั้นถ้าเราสร้างเหตุถูกผลจะได้ออกมาถูกสมาธิเนี่ยนะหมอฤาษีมันยากมากถ้าคุณทำไม่ถูกถ้าคุณคทำไม่ถูกมันยากมากจริงๆเหมือนกับไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้แ ต, แต่ถ้าทำถูกแล้วไม่ยากเลยทำถูกแล้วง่ายมากอ่าแสดงว่าท่านจะต้องมาดูลมจิตจะต้องมาอยู่กับลมใช่ครับ เพรา ะ, ะนั้นเรื่องไอ้เสียงเ อ, อ้ยเรื่องความหงุดหงิดอากาศร้อนอะไรเริ่พูดไปเลยเราให้จิตเรามาอยู่กับลมหายใจยางเดียว อ, อย่างเดียวเลยครับนะงั้นตอบคำถามที่2 2> สอง2 2> <นะ S 1> ใช่ครับ ค, ค, คือการวางอารมณ์ยินร้ายในชีวิตประจำวันเนี่ยคือท่านผู้ถามก็พยายามฝึกวางอุเบกขาแต่ทําได้ดีในการวางอารมณ์ยินดีแต่อารมณ์ยินร้ายเนี่ยจะท่านบอกว่าวางไม่ค่อยสําเร็จโดยเฉพาะ เออคนที่กใกล้ชิดเช่นเจ้านายอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าทําใจยอมรับวางอารมณ์นี้ไม่ได้ครับแห ม, ม <ขอ S 1> จริ ง, งแล้วอารมณ์ดีๆเนี่ยนะอารมณ์ที่มันดีๆ น, นะจริงๆถ้าคุณจะบอกว่าวางเราเผลอไปหรือเปล่าเราเผลอไปเราก็เลยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแม้ว่าเราเผลอไปแล้วแล้วเราคิดว่าเราอาจจะวางได้หรือเปล่าเนีเพราะว่าอืมันเหมือนกับว่าป้อมยามเนี่ยนะ คือยามเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนแล้วเขาก็ไม่ได้หนีจากคนก็้าใจไหมเขาอยู่ในป้อมเนี่ยนะคนเดินเข้ามาปุ๊บเขาไม่ได้ตามก็วิ่งกระเบียบคนนั้นหรือเขาไม่ได้วิ่งหนีอาการที่ไม่ได้ตามไม่ได้วิ่งหนีเนี่ยคือหมายความว่าเราไม่ได้บังคับจิตเราเราไม่ได้ฝืนจิตเราเราไม่ได้ขู่เข็นจิตของเราแต่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาปล่อยวางสิ่งนั้นซะแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอาการที่เราปล่อยวางสิ่งนั้นแล้วมารู้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยอาการนี้เรียกว่ารู้เฉยๆ คือทั้งไม่วิ่งเข้าหาทั้งไม่วิ่งหนีคือรู้เฉยๆถ้า<ๆ>เผื่อว่าเราไม่วิ่งเข้าหานะความชอบในสิ่งที่เรามาถูกใจเนี่ยนะคร<ๆ>นะเราก็สื่อว่าอันนั้นคุณมีสติอยู่ในการที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้คือลมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะมันมันเราไม่ได้พูดถึงลมเลยนะคือมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงว่ามีสติอยู่ในลมหายใจนะเราพูดถึงมีสติอยู่ในสิ่งที่คุณกําลังทํานั้น<ๆ>นะมีสติอยู่ใน สิ่งที่คุณกำลังทำนั้นสิ่งที่ที่เรากำลังทำนั้นถ้าเราไม่ไม่ลุ่มหลงไปตามคือไม่วิ่งเข้าใส่ไม่ขยะนขยงเกลียดชังคือไม่วิ่งหนีนะแสดงว่าอาการนั้นนะคุณมีสติอยู่ในสิ่งที่ทำนั่นแหละคือรู้เฉยๆครับรู้เฉยๆหมอรัตนองเข้าใจนะคือการที่เราไม่วิ่ง okay, เข้าใส่ <okay. S 1> แล้วไม่วิ่งหนีนะคือรู้เฉยๆ <Okay. S 1> อาการตรงนี้เรียกว่ารู้เฉยๆ เพราะนั้นคุณไม่ต้องพูดถึงลมหายใจเลยเพราะเราไม่ได้พูดถึงลมหายใจอยู่เราแค่พูดถึงว่าคุณจะเรียก ว, ว่ามีสติอยู่กับการงานตรงนั้นมีสติกับการพูดตรงนั้นมีสติอยู่กับการเ้าะห้องน้ํามีสติอยู่กับการกินข้าวปวดหนักปวดเบาก็ตรงนี้แหละเราไม่วิ่งเข้าใส่เราไม่วิ่งหนีเรารู้เฉยๆเพราะอย่างในกรณีของที่คุณผู้ศึกษาปฏิบัติถามมาว่าอารมณ์ยินดีนยินร้ายในยของเราเนี่ยฝึกวางอเาุเบกขาฝึกวางอุเบกขาเนี่ย คือเราเราไม่ยินดีไม่วิ่งเข้าใส่ไม่วิ่งหนีคือเรารู้เฉยเฉยนะครับแค่แค่นี้เองนะเป็นกล้ามเนื้อของจิตอันเดียวกันกันกบที่เรามารู้ลมหายใจอืมอ่าถ้าเราฝึกรู้ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเราจะไปรู้ในอิริยาบถต่างต่างมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยได้ครับนะคือคือบางทีเนี่ย เ, เหตุการณ์มัน มันบุนวุ่นวายนะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวน้อนนะถ้าจิตของเราไวาพอเนี่ยเราจะมีสติอยู่ในนี่นั่นโน้นได้อ่าโดยที่โดยที่งานก็ไม่เสียนะจิตเรามีความรู้อยู่ในเรื่องนี่นั่นโน้นได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าต้องใช้ลมหายใจด้วยใช่ครับทีนี้กว่าจะไปถึงรตรงนั้นเนี่ยนะอ่าตรงนั้นคือลักษณะของการที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะไงอืมีความรู้ตัวด้วยใช่อันนี้เป็นขั้นตอนการฝึกเป็นขั้นเป็นขั้นไป กา ร, รฝึกเป็นขั้นเป็นขั้นตรงเนี้พุรุเจ้าอธิบายถึงว่างั้นคุณต้องฝึกให้สำรวจอินทรีย์ก่อน ฝ, <ม>ฝึกให้มีสติการนั่งสมาธิเป็นรูปแบบก่อนเช่ว่านั่งคู่ขาเข้ามาเดิรอบอยู่ในคนไม้อยู่ในเรือนว่างเสร็จแล้วคุณทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆอคุณก็ขยายออกมาตอนลุกคุณก็มีสติตอนเข้าน้าคุณก็มีสติอย่างเงี้ยมันก็จะทําได้อยู่ในทุกอวัยบะมีสติอยู่ในสัมพัชัญญาได้ อจะต้องห<า>ัน ก, การฝึกจากในรูปแบบก่อนใช่ไหมเพราะนั้นคือตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะคือไม่ใช่ว่าต้องจะมาวัดหรือว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นคือเอาตอนเช้าคุณตื่นนอนอย่างเงี้ยหลัเช้าเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยคุณคุณทำนะทานิดนิ ด, นดนนหน่อยๆตรงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตรงนี้ดีขึ้นมาได้เนาะจริงครับอืมแต่มกาก็ต้องทําสําคัญคือทําใช่เราจะปฏิบัติเราจะวางจิต ของเราตรงนี้นะเราก็ใช้เหตุการณ์อื่นๆมาช่วยนะให้เรามีกาลังกล้ามเนื้อในการที่จ ะ, ะวางจับวา ง, จ, วางจิตไปยังตำแหน่งต่างๆนะวางตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยวางนะแต่คือจับวางไปใช้งานนั่นนิโนดอย่างนี้อย่างนี้ไหมครับจาจาได้ตอนก่อนๆที่ท่านบอกว่าถ้าเราเจออะไรที่ไม่พอจัปเนี่ยเราเปลี่ยนนิมิตแห่งจิตของตนได้ไหมครับได้เลยได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเหมือนกันคือเราก็เปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยนะหรือว่าเราไปสนใจอย่างอื่นแต่ก็หลักการเดียวกันนะวิธีการคุณวิทยาการแต่หลักการเดียวกันหนึ่งเหมือนกันครับว่าเราไม่คิดเรื่องเดียวไปคิดเรื่องอื่นอันนี่มันจะพยายามมาดึงจิตของเราอยู่ได้เราดึงจิตของเราไปทั้งอื่นการนี้คือการที่เรามีสติอยู่แล้วคือสติเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราไปนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีอะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เรานึกถึง มาเป็นฐานที่ตั้งโดยที่ไม่ให้จิตของเราหลายไปเรื่องที่ไม่ดีอันนั้นแหะถือว่าเป็นสติได้หมดเลยครับนะโอเคงั้ก็คือสติเนี่ยเป็นเรียกว่าทําเอกเลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับต่อข้อถามข้อที่สถามว่าการวางนะครับที่พระอาจารย์อธิบายหมายถึงว่าวางได้โดยเด็ดขาดคือจะไม่กลับไปคิดอีกหรือวางเฉพาะเป็นช่วงๆแล้วก็ พอเสร็จแล้วก็กลับไปคิดใหม่แล้วก็วางใหม่อะไรเนี่ยคือเกิดเกิดดับๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกนนันคือการวางที่ยังกลับกําเริบได้อยู่นะวางไปแล้วคิดว่ามันหายเอา้าเดี๋ยวสักหนมันเกิดมาอีกอย่างเงี้ย น, mm hmm. นะอันนี้คือลักษณะของกุปตธรรมคือกรรมที่กลับกําเริบได้ น, นะแล้วมันต่างกันกันกบธรรมที่ไม่กลับกาเริบไหมคือวางแล้ววางขาดเลยเลิกเลยไม่ต้องมาวางอีกนะนั้นคือความต่างกันอยู่ที่ตัณหาแล้วเอง นะอันแรกเนี่ยยังมีตันหาอยู่ยังมีชุช่มด้วยยางเหนียวอยู่้วนะมันถึงเกิดขึ้นมาได้อยู่มเมล็ดพืชเนี่ยมอรัพงถ้าไม่ได้<ช>ยังมียางอยู่ข้างในเนี่ยมันไปลงน้ำลงดินรดน้ำมันก็โตขึ้นมาได้ ใ, <ช>ในขณนะที่มเมล็ดพืชที่ไม่มียางเหนียวอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะไปลงดินลงน้ำรดน้ำยังไงเท่าไหร่มันก็ไม่โตเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่ า, าคุณวางได้ระดับไหนแตนะ่ถ้าวางได้หมด ไม่ยังมีตัณหาอยู่ยังไม่หมดยังมีตัณหาอยู่มันก็จะต้องเกิดได้ถ้าวางหมดแล้วตัณหาไม่มีด้วยอันนี้ก็คือไม่กลับกำเริบเลยาชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายอนี้เรื่องของการวางมีมีคำถามอะไร<บ>เพิ่มเติมตรงนี้นะจบนะหมอระคงนะเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็คือจะพูดถึงลักษณะของจิตของเรานะมายหรือจิตของเราเนี่ย ว่าเป็นลักษณะของไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้คิดเป็นลำดับลดับแต่คิดไปกระโดดนั่นกระโดดนี่กระโดดนอนถ้าภาษาเว่าไงเรียกว่าดิ e ครี discrete หรือว่านอ n ลีเนียอย่างเช่นยังไงบ้างอย่างเช่นว่าเราเราเดินขึ้นมาในบ้านอย่างเงี้ยตาเราไปเหลือบเห็นตรณีประตูที่เป็นไม้แล้วก็มีเสียงนกการ้องขึ้นมาดีนะทำให้เรานึกถึงบ้านสวนหนึ่งหนึ่งที่เคยไปอยู่เมื่อสองปีก่อน นะมีเสีย ง, งร้องเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วประตูก็เป็นไม้แบบโบราณแล้วนะจิตก็ไปคิดถึงตรงนั้นด้วยนะแม่ก็ไปด้วยในที่นั้นก็จึงนึกขึ้นได้ว่าเอ้นาฬิกาที่ซื้อให้แม่ไปเป็นป น, นาฬิกาดีไซน์แบบนี้ เ, เป็นนาฬิการดีไซน์แบบใหม่เลยนะ <Yeah. S 1> ก็เลยนึกถึงว่าเออกางเกงตัวของเราที่ใส่วันนั้นก็ดีไซน์แบบใหม่ด้วยซื้อมาพร้อมกันนะคราวนี้ก็แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้นํามาด้วยน่าเสียดายจังไนะ mm hmm. อ้ความเสียดายตรงนี้ก็เลยไปทริกเกอร์ให้เกิดอารมณ์ที่ว่าเกิดความคิดเรื่องที่ซื้อหุ้น ที่เมื่อ6เดือนก่อนเพิ่งซื้อมาซื้อแต่ว่าซื้อมาผิดขาดทุนหลายแสนบาทจิตก็เลยตกไปนิดนึงเพราะว่าเรื่องทุนเกิดได้ไม่นานแต่พอมาคิดถึงจิตตกไปนิดนึงมานึกถึงหนังหนังที่เรื่องของเจ้าพ่อตลาดทุ น, นที่พระเอกเขซื้อหุ้นผิดแล้วก็แก้ไขได้ก็เลยคิดว่าเออเงินมาวัดนี้เพื่อแก้ไขจิตตัวเองดีกว่าเลยมีกําลังใจต่อไปเดินเข้าศาลายอย่างสบายใจเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา น, นิดเดียวแค่ก้มมองธรณีประตูจนกล้ามเข้ามันไปพบว่า เอาตอนแรกเรามองเพื่ประตูบ้านทาไมมาเข้าศาลาอย่างนี้ยังงงอยู่ครอ่อเนี่ยเนี่ยเกิดแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะโอ้หลายเรื่องเลยนะครับเอานี่แหละลักษณะของจิตที่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งวาระจิตของตัวเองว่าตัวเองคิดเรื่องอะไรอืมจริงครับอ่าเอาแค่เดินข้ามทางเดินประตูหรือว่าเอมีคนมาทํางากับเรามาจากต่างประเทศเราเช็คแฮนด์เขาอย่างเงี้ยเช็คแฮนด์เขาปรากฏว่าไอ้หมอนี่มันใสอันการมือขวา ก็เลยทำให้เห็นนาฬิกาที่เขาใส่อยู่มันค่อนข้างใหญ่เ่ยทําทให้ได้ยินเสียงนิมิตของนาฬิกาพอเห็นนาฬิกาปุ๊บมีนิมิตของจิตเป็นเสียงติ๊กติ๊กติ๊กพอเสียงติ๊กติ๊กติ๊ ก, กทำให้ไปคิดถึงเรื่องงานที่มีอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นมันไปเรื่อยเลยจนกระทั่งแค่ชั่วเวลาที่เช็คงานกันเสร็จเนี่ยโอ๊ยจิตคุณคิดหลายเรื่องแล้วบางทีอ่ะอืมจริงครับอ่าเป็นอย่างนี้นะบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอย่างนี้อนี่คืออรมาพยายามที่จะกําหนดบทเพลงชนะให้ให้ดูว่าเวลาทีี่่มันนนนเกิดขึ้ะ มันไม่ได้เกิดเป็นคําพูดนะพวกเนี้ยนะมันเกิดเป็นลักษณะของภาพปั๊บปับ๊บๆขึ้นมา flash f l a ขึ้นมาครับแล้วเร็วมากใช่ไหนะตรงเนี้ยที่จิตเราวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโดยที่ปกงทีเรายังไม่รู้ตัวมันเร็วขนาดนั้นอืนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วาระจิตของตัวเองที่พูดถึงตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่จะสรุปให้ฟังว่าเรายังไงก็ต้องรู้วาระจิตของเราเองนะ ว่าความคิดของเรามันไปยังไงเพราะพวกเนี้เป็นเป็นอาการที่จิตวิ่งไปนะจิตวิ่งไปไปกินอาหารคืออารมณ์พวกนี้อแล้วลักษณะการไปของมันเนี่ยก็ไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายเนเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมอะไ ร, รที่มันมาเป็นเสียงก็ตามเออบางทีเราขึ้นประตูธรณีประตูบ้านทุกวันเนี่ยเราไม่คิดถึงเรื่องกระบวนการตรงนี้จนกระทั่งมันมีเออเสียงนกกา ร, ร้องเข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยอืมครับ แต่เราเมินๆไปว่าอันนี้เราเข้าบ้านหรือเราเข้าสาราวัดกันแน่<ม>อ่าเพราะฉะนั้นเราเราจึงต้องควบคุมจิตของเราตรงนี้ให้ได้พระเจ้าอพูดถึงการที่เราเหมือนกับเอาเอาแว่นส่องหน้าตัวเองถ้าสมัยปัจจุบันก็คือส่องกระจกอะ่ะครับนะดูกระจกว่าเอ๊ยกระจกของฉันนี่มันเอกระจกของที่ฉันดูหน้าตัวเราเองเนี่ยนะหน้าเราเนี่ยมันมีสิวไหมมีฝ้าไหมมีเสียนไหมมีรีบบิบบ อ, อ<ม> เพราะนั้นถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้เรารีบหยุดความคิดซะหยุดความคิดซะนะก็ลักษณะอย่างี้เหมือนกันหยุดความละมาเหมาอยู่กับลมหรือว่ามาอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันตอนนั้นใช่ไหมได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมหายใจเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมหมายถึงบ้านทําที่เป็นเครื่องอยู่นะเป็นบ้านของจิตนะวิหารธรรมเครื่องอยู่บ้านของจิตนี้คือว่าบางที่เราไปมีสติอยู่ในการงาน ไปมีสติในการพูดไปมีสติในการเข้าห้องน้ำแล้วก็มามีสติอยู่กับลมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปมีสติอยู่กับการทํางานอย่างอื่นการเดินการนั่งเสร็จแล้วกลับมามีสติอยู่กับลมเดี๋ยวไปมีสติอยู่กับการกินนะการเคี้ยวแล้วก็เดี๋ยวกลับมามีสติอยู่กับลมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลมเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านที่เออไปนู่นไปนี่เดี๋ยวเราก็กลับมาอ่าทีนี้ตอนที่เราไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสตินะเราก็มีสติในสิ่งนั้นนะแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ได้ ตันนี้เป็นประเด็นที่ดีที่หมอเนรพงษ์ถามเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปลำบากคิดว่าเอจะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยใช่ครับหรือว่าต้องลมหายใจตลอดแล้วจะพูดคิดไปด้วยได้ยังไงมันสามารถทําได้นะ อ, อย่างอย่างตัวอาตมาตอนนี้ก็พูดไปด้วยเพราะนั้นลมหายใจของเรามันไม่ต่อเนื่องแน่ัง่ถ้าเราจะอาศัยลมหายใจในการที่ทําจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะยากตัวเราเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ลมหายใจเดี๋ยวอีกสัก 10นาทีย0สินาทีตอนที่จังหวัดที่มาร น, น, นัตตมงพูดอาจมาก็ไปรู้ลมใจของเรา oh, <okay. S 1> ทีนี้ตอนที่เราไม่ได้พูดเราเอาจิตของเราไว้ที่ไหนเราเอาจิตของเราไว้ที่ความว่างก็ได้นะคือถ้าถ้าเราจะไม่เอาไว้ที่การพูดเราเอาไว้ <Okay. S 1> ที่ความว่างก็ไดนะ้ตรงนี้ก็ชื่อว่ามีสตินะมี hmm. สติยังไงเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเข้าไปเราไม่ได้วิ่งหนีออกมารู้เฉยเฉยยงไนะรู้เฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เฉยเใช่ใเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยในอารมณ์ที่มากระทบครับนะมีสิ่งใดมากระทบแล้วเรานิ่งเฉยอยู่ได้ไม่ไหลไปตามอันนี้คือความวางเฉยเป็นอุเบกขาครับในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะการมีสตินั่นแหละนะสติตรงนี้ก็ทําให้เกิดอุเบกขาสัมโพชง n ได้ถ้ามันมันก็กระบวนการเดียวกันอืมครับคือคือทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจมาไปแยกพูดนะ ไปะย้ะพูดอันนี้คือไปค้านี่คื อ, อ น, นี่มันมันจะอาจจะทําให้สับสนว่าอ๋อมันเป็นชิ้นเป็นชั้นอย่างนั้นแยกกันไปแยกกันไปแต่ไม่ใช่มันมันรวมกันอยู่มันรวมกันอยู่นะยเป็นแกงหม้อดเดียวกันนั่นแหละนะใช่ครับพูดใน ล, ลักษณะนี้ทีนี้การที่อย่างจิตวิ่งนี่ก็ก็คือเกิดดับเกิดดับเหมือนที่เราเราเข้าใจกันใช่ไหมครับเกิดจากสิ่งนี้ดับจากสิ่งนู้น ใชไปวิ่งวิ่งวิ่งใช่พอพอเราไปนึกถึงว่าเออเรากําลังเข้ามาทารณีประตูที่เราจะไปนั่งปฏิบัติธรรมเนี่นะไอไอเรื่องที่คิดว่าเราเคยซื้อนาฬิกามาซื้อกางเกงมาที่มันเกิดขึ้นมันกินมันดับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นึกถึงมันไม่ได้เลยด้วยซ้ําไม่รู้เลยว่าไอจิตเราแไ่นไปทางโน้นแล้วอืนั่นเองมันมันเป็นอย่างนี้คือของมันเกิดมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วคือดับไปเลยอ่าครับทีนี้ถ้าว่าเราเรามันอาจจะกำกำเริ่มขึ้นมาอีกได้ถ้าคุณยังมีตัณหาแค่นั้นเอง ตรงนี้แหละคือความทุกข์ที่มันทําให้จิตของเราแล่นไปนู่นวิ่งไปนั่นไปนี่เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เราวุ่นวายอยู่ในสังสารวัตน์นี่แหละการที่จิตมาสวยอารมณ์มาคอนซีฟอยู่ในในอารมณ์ต่างๆก็เป็นอันเดียวกันกับที่จิตของเราเนี่ยไหลไปในร่างกายนี้ร่างกายอื่นอย่างเงี้ยเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเนี่ยตรงนี้แหละครับเนาะอ้ก็เห็นเห็นภาพนะครับอ่ต้องต้องระวังจริงนะต้องระวังมากๆเลย ตัวอาร ม, juna, มาเองนะมรัตพงศสมัยก่อนเราคิดว sí yes. ินาทีหน NO well> <AH ึ่งเราคิดสามเรื่องเราคิดมากจริงจริงจนกระทั้งบางทีเราเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไปบ้างนะความคิดที่พูดๆออกมาเนี่ยนะมันมีสักอันหน่งสองอันเราพยายามจดเอาไว้ที่มันดีๆแตบางทีจะคิดประเด็นที่พูดกับมอรัตพงอย่างเงี้ยวบๆขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันจับไม่ได้ันได้พูดแค่สองสามเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้น แตทีนี้สติของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความคิดตรงนี้ก็ให้มันแยกกันไปนะเอาสักที่ใดที่หนึ่งก็พอที่พอจะทรงจิตของเราให้มีสติตรงนี้ได้ครับเ ห, เหมือนกับคนคนที่เรียนมาเยอะๆทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีความคิดลักษณะนี้เยอะๆนะครับใช่ใช่ต้องแยกกันให้ออกแยกรตรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่มันสะท้อนลงมาในน้า ดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะถ้าจะพูดว่าคนละอันก็ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ไม่ติดกันมันแยกกันอยู่เช่นเดียวกันความคิดนั่นก็ของเรานะจิตนี้ก็ของเรามันกันแหละแต่ว่ามันก็แยกกันอยู่เราก็แยกมันไปก็พอพอเราปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งเราเห็นจิตของเราว่าช้าลงช้าลงเนี่ยพอเห็นจิตของเราค่อยค่อย มีความจางคลายมีความดับไปเนี่ยเราเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตของเรารเ อ, อ๋อเมื่อก่อนเราไม่ทันเลยนะมันคลิกแป บ, บไปตรงเนี้ยใช่โอ้โหแต่ทีนี้เราทันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้สมาบัากำลังพูดถึงประโยชน์ของสมาธิด้วยใช่ไหมครับโอแน่นอนแน่นอนใช่เป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตครับอื ม, ม, มอ่าอ่านี่คือเรื่องของลักษณะของจิตที่เป็นดิสครีตนะที่เป็นนอเนียนที่เป็นลักษณะว่า กระโดดไปกระโ ด, ดมามีความเกิดดับครับเป็นภาพเนาะนเพราะนั้นวันนี้เราได้พูดเรื่องอะไรไปบ้างคุณมลันพงศ์เรื่องของการวางการวางคือเป็นคำถามต่อเนื่องจากคุณผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับเรื่องการวางสิ่งที่ยินดียินร้ายนะครับอันนี้จะเป็นก็เป็นคำถามต่อเนื่องมานะคใช่ใช ก็มีเรื่องของ uh hmm. การการที่จิตเนี่ยมีการเกิดการดับเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะครับใช่เป็นลักษณะของริสกริดไปกระโดดมาจับนี่อ่าเป็นจับไปจับมาต่อนเนื่องใช่อันนี้ ค, คือคือต้องการพูดถึงว่าการเกิดการดับนะกา ร, รเกิดการดับเนี่ยเวลามันดับไปแล้วมันไม่ได้เกิดที่จุดเดิมนี่ที่ต้องการเน้นตรงนี้มันไปเกิดที่จุดหมายโน่น <isot. S 1> อือ่า มันคือมันเป็นลักษณะของไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่เพรา ะ, ะนั้นจิตของเราควบคุมได้นแทบจะไม่ได้เลยถ้าคนไม่ได้ฝึกอ่ะจริงครับไปตามแรงกระทบจริงๆเลยครับ <No. S 2> ต้องฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีอานาจเหนือจิตนะครับใช่เอาเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้พูดเรื่องราเหล่านี้มาับนะพูดเรื่องรักเกลียดพูดเรื่องการาวางอารมณ์การมีสติอยู่ใน อ่อรีบทต่างๆด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีแค่นี้แหละถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ส่งกันมาได้แล้วกันครับที่บ w w p พ e ว t h a m ะดอทนะครับที่เก่านะครับแล้วก็พบกันในวัสดาห์ต่อไปครับเิญก็กลับกลับรัชการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพรบูร์อภิพุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซครับอายทุกครับสวัสดีครับ